สามสิบ <Book> <30 S 3> มุกเพ่ที่ร้านอาหารสองรีสตอรี่ดวดดาเรนดูขอน้าแอปเปิลค่ะวอกแอปเปิลยูซิบันดีขอน้ามะนาวค่ะ ว่กับเลมอนน้ดิดขอน้ำ ม, มะเขือเทศค่ะว่ากับทัมมี่โตจิบันดดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะน้าก็ว่กับกลาสเรดวไวน์คาวาลดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะน้ากว่กับกลาสไวท์วไวน์คาวาลีดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ นกากบกับแชมเปญบอ็อทิกาวาลคุณชอบปลาไหมคะมีกูแจเปลันเตอิสต์แนะคุณชอบเนื้อวัวไหมคะมีกูบีฟอันเตอิสต์แมนะคุณชอบเนื้อหมูไหมคะมีกูปูร์อัตอิสต์แมนะดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ น้มีเลคุณได้ยังม น, น่าอุ่นเตอิก า, าลดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดนกูกินแต่มิกซร์เเ ว, เวิต า, าดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานน้ากูอยากกับสมมปัตนได้ยมน่าอุ่นิกาลคุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะ มีโดนอันเนันตเนดมิสชมนะคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะมิโกดนันิพาส ต, าต้าตเตเนดมิสชมนะคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะมิโดานิบางงาังกลตมเลตักลเนดมิชมนะรสชาติไม่อร่อยอธิย anta, ันตาจกเลดู อาหารเย็นชืด อ, อันนั้มจะล่ะไปอินดีดิฉันไม่ได้สั่งจานนี้เ น, น้นดินี้ออเดอร์เฉยเลยดูกรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด